สวัสดีท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมอาราปารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็ออกอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเป็นประจำนะค ะ, ะเป็นรายการภาพิเศษสุนทรนธรรมกับพระอาจารย์เปี่บุญอภิปุโรห์ลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อด๊อกสอาดทิโตภาโสหรืท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศตมบุญดอนหายโศก อำเภอหองหานจังหวัดปุุรธานีนะคะออกอากาศในระบบเอเอพร้อมกันค่ะสําหรับเอก็คือก๊าซ 2.5 เมกะเฮิร์และเออ็ก็คือ891กิโลเฮิร์ตค่ะอย่างที่ได้กราฟิกในเครื่องฟังทางบ้านและคิดว่าคงจะมีเครื่องฟังทางบ้านเป็นจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะคะที่เป็นแฟนรายการธรรมารัพรุณภาคพิเศษเช้า ว, วันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งเราจะพบกันแล้วก็เคยได้เรียนแล้วว่า ถ้าหาท่านผร้ฟัท่านใดอยากจะให้เรียนได้สนมทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ไับูรณ์อภิปูโหนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรก็ขอให้เขียนแก้งมาได้นะคะทั้งจุดหมายสมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนพิภาวดรีรังสิตกรุงเทพฯ10400นะคะเขตดินแดงค่ะงเล็บ ที่มุ่งสองว่ารายการธรรมรับรุณนะคะนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะเขียนแนะนำเข้าไปได้ผ่านเว็บไซต์ของพระอาจารย์พบูลอภิปุโนนะคะก็คือเ a ีย t h a ร m a .com นะคะสำหรับในเช้าวันเสาร์ที่เราพบกันวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่12มีนาคม2554ค่ะเป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน4ปีขาญ น, นะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็อยากจะขอ นำคำแนะนำนะคะของแฟนรายการดั้งเดิมเลยนะคะก็คือผู้ที่ใช้นามว่าเยุยนิสโมมาศสิการเขียนมาจากบมายเลขที่48ทับ7ถนนพุทธมนตรสาย4ตำบลกระทุ่มลง้งอาเภอสังขลานจังหวัดนครปฐมนี่เองนะคะท่านได้เขียนคำแนะนำมาหลายข้อค่ะแต่สำหรับประเด็นที่ท่านอยากจะให้ดิฉันได้ การเรียนถามและก็สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ภัยบุ์อภิปุโรโนก็จะมีสองประเด็นนะคะซึ่งในเช้าวันเสาร์นี้เราจะพูดคุยกันหนึ่งประเด็นนั่นก็คื อ, อเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ทำให้เกิดปัญญาดได้อย่างไรนะคะเพราะว่าคุณอยนสมนัสสิการท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าถ้าหากว่าสังคมไทยเราในปัจจุบันนี้นะคะ รูเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาคู่คู่ไปกับความรู้แล้วก็จะทําให้สังคมเรานั้นเนี่ยเป็นสังคมที่เรียกว่าไม่ตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอันตรายนะคะดังนั้นในเช้าวันนี้ก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านและคุณโยนิโสมณสิการจากจังหวัดนคปรปฐมได้มากราดนมรัสการสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ภับูรณอภิปุโนกันเลยนะคะกราดนมรัสการเจ้าข้าท่านอาจารย์เจ้าขาะาาาขาาน้าเดอร์บอล สิ่งที่เพิ่มได้เกินไปแล้วนะเจ้าค่ะว่าทางคุณยูในิสมณนสิการแฟนรายการคนแรกที่เขียนจดหมายเข้ามาในรายการของเรานะเจ้าค่ะได้เขียนมาแล้วก็บอกว่าอยากจะให้ได้กราบียนถามพระอาจารย์ไตบูร์เกี่ยวกับเรื่องความรู้ทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรแล้วก็จะทำให้สังคมเราดีขึ้นได้อย่างไรเป็นไปตามพุทธจวัจนะหรือผูิกษ์ขององค์งพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าคะ่ะ ่ความรู้กับปัญญาอันนี้คงถ้าจะเข้าใจ ส, สมุมมองของผู้ถามคำถามมันน่าส น, นใจก็งคงจะอะไรมาเข้าใจในละักษณะนี้ว่าคือคนในปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยมีความรู้ตั้งเยงอะนะจบปริญญาตรีก็มากขึ้นกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วบางคนถึงขนาดเป็นด็อกเตอร์จบตั้งหลายปริญญาปริญญาตรีเนี่ยสองสามใบปริญญาโทสามสี่ใบก็มีนะแล้วแต่ทาไมสังคมยังมีปัญหากันอยู่ รู้สึกว่าจะมีปัญหามากขึ้นด้ว ย, วยค่ะขึ้นกว่าเดิมด้วย <c oughs> เอเทคโนโลยีก็ดีขึ้นแล้วมีทโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆไม่มีปุ่มเลยแค่ปุ่มเดียวก <c oughs> ารสื่อสารอินเทอร์เน็ตต่างๆอะไรก็ดีขึ้นแต่ทาไมปัญหายังมีอยู่เหมือนเดิมแถมมากกว่าเดิมอีกมืกวกว่าเดิมเจ้าค่ะเออทําไมถึงเป็นอย่างนั้นสบสสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในสภาก็มีมากขึ้นกว่าเดิมอต่ทำไมปัญหายัง มากขึ้นกว่ดิมอีกเลยซ้ำนะคทีนี้ก็เลยต้องกลับ ม, มาอยู่ที่ประเด็นที่ว่าไอ้ความรู้เนี่ยช่วยให้เราสามารถรอดพ้นปัญหาได้หรือเปล่ า, รา <Okay. S 2> หรือว่าใ น, นคําว่าปัญ ญ, ญาในลักษณะของเจ้าของคาถามเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ทําให้เรารอดพ้นจากปัญหาต่ า, างๆ <Okay. S 2> หรือไม่นะทีนี้ <Okay. S 2> เราต้องกลับมาในหลักของพุทธวจนะว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของความรู้เรื่องของปัญญาในต่างๆเนี่ยไว้ว่าอย่างไรอันนี้เราต้องแยกให้ออกนิดหนึ่งว่าในสมัยบริการเนี่ย ในสมัยปัจจุบันก่อนนะ uh huh. สมัยปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการศึกษาในระบบการศึกษาอย่างเช่เรามีรประถมมัธยมชั้นเตรียมอุดมมัธยมแล้วก็มหาวิทยลาลัยอะไรต่างๆอาชีพอะไรเขาแบ่งแยกกันไปใช่ไหมน uh ี huh. ่คือระบบการศึกษาในยุค ป, ปัจจุบันจ uh huh. บจบการศึกษาแล้วคุณไปไหนคุณไปทํางาน ่ในตามบริษัทเข้าหน่วยงานราชการหรือเปิดทำธุรกิจของตัวเอง <Okay. S 2> ใช่ไทีนี้ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเป็นยังไงอในสมัยพุทธกาลเน่ยเวลาคุณจะเรียนอะไรสักอย่างเรียนเนึ่ยสมมติเช่นเรียนปั้นหม้อ <Okay. S 2> หรือเรียนตีมีดคุณ <Okay. S 2> ต้องไปอยู่กับอาจารย์ <Okay. S 2> แต่คุณต้องไปเข้าสํานักของเขาแล้วสนสำนักนี้ทํำยังไงก็คือให้ศึกษาด้วยการปฏิบัติเลย <Okay. S 2> คุณต้องมีมาเต คุณเป็นลูกลูกมือก่อนเป็นลูกมือช่างมีดอัดเหล็กแทําขึ้นรูปคุณนนี้จุดเตาแค่นี้เองคือเรียนด้วยการปฏิบัติเล ย, ยไม่ต้องมีการเข้าคอร์สแต่คือทําเล ย, ยอธิมา ถ, ถามท่านผู้ฟังหรือว่าทาั้งคุณเดินใจเองเคยเห็นหนังสือคู่มือการขับจักรยานไหมการขับขี่จักรยานนี่นค่ะจักรยานธรรมดาเลยมีคู่มือไหมยโยมไม่เห็นนะเจ้าค่ะไม่เคยมีอธิมาจะบอกให้ ไม่มีหนังสือคู่มือการขับจักรยานแล้วเด็กน้อยขับจักรยานได้ยังไงหัดเองจ้ะค่ะถูกต้องเขาเอาจักรยานมาเลยขึ้นจักรยานล้มสักสามสี่พันครั้งมันต้องเป็นแน่นอนน่คะว่ายน้ำาป็นไงไงโดดลงน้ำเหนยตูมต้มนะตื้นน้ำเข้าไปสักสี่ห้าสิบตึกเดี๋ยวมันจะเป็น ต้องเป็นอย่างนั้นคือศึกษาด้วยการปฏิบัติเลย้าค่ะเจคะเหมือนการพราเนี่พระเจ้าเรียนไปแล้วนะพระสงฆ์เนี่ยที่เรียนหมดเลยตั้งแต่คาถาเวทย์ชนะพระสูตรอิตธิมุตตาขาตะกาอภุต ธ, ธรรมมาเรงต่างเนี่ยเปรียบเทียบกับรเรียนค่าประโดียวสมัยนี้เลยเจ้ค่ะพระเจ้าพูดไวยากรณ์แบบไหนพูดทีท่าแบบไหนพูดตอนไหนแม่ศึกษาหมดอันนี้คือปริญญาแต่ถ้าไม่เข้ามา สมาทานปฏิบัตินะ <Okay. S 2> พระวิชาใช้คํานี้ว่าก็เปรียบเหมือนกับปริยัติที่เป็นงูพิษจู่ค่ะงูเนี่ยถ้าจับมันไม่ดีใช่ไหมพระวิชา <Okay. S 2> พูดแบบนี้ถ้าจับมันที่ตัวเนี่ยมันจะฉกขัดเราได้ <Okay. S 2> ถ้าจับมันที่หัวแต่ถ้าเราพลาดครั้งเนี่ยอมันก็จะฉกกัดเราได้แต่ถ้าเราจับดีเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะเหมือนอย่างเวลาเขาจับงูเนี่ยเขาต้องจับที่ตรงหัวมันดี ถ้าจับเพแต่ตรงไหนใต้คอมันลงมาจนหนาเนี่ยคุณถู ก, กนแน่นอน <Okay. S 2> เออถ้าก็เปรียบเทียบประหยัดเนี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะความอความรู้ความเรียนอะไรต่างๆเนี่ยอถ้ารู้อย่างเดียวไม่เกิดประโยชนต์ต้องเอามาปฏิบัติ ด, ด้วย <Okay. S 2> ทีนี้การรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยครู <Okay. S 2> ข้าวก็พูดเอาไว้อะนะว่าเนะ <Okay. S 2> าปรียบเทียบเหมือนกับหนู หรือว่าใครก็ตามที่ไปเข้าเรียนแต่เรียนในโรงเรียนเรียนระบบปริยติธรรมเรียนหมดเลยคือกุศลทั้งบ้านันะแนะคนที่ปฏิบัติได้เห็นธรรมเนี่ยก็คือคนที่เข้าไปอยู่อ่าก็คือหนูที่เข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าคนที่ทั้งกุศลทั้งหนูก็คือทั้งเรียนด้วยทั้งปฏิบัติด้วยเห็นธรรมด้วยนะคนที่ไม่กุศลแล้วก็ไม่อยู่ก็คือเรียนก็ไม่เรียนปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติไม่เห็นธรรมด้วย เพ <Okay. S 2> ราะฉะนั้นคนที่อยู่แต่แต่ไม่ขุดรูก็คือคนที่ปฏิบัติเลยแต่ไม่ได้เรียนแต่คนที่ขุดรูแต่ไม่อยู่ตัวเองขุดรูไว้ทารางไว้สร้างบ้านไว้แต่ตัวเองไม่อยู่นั่นคือเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งต้องบอกอย่างนี้พระเจ้าบอกไว้ชัดเจนว่าการปฏิบัติอคําว่าสมาทานเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้ใน คำว่าศึกษาและปฏิบัติไปพร้อมๆกันในภาษาบาลีเนี่ยคําว่าสมาทานเนี่ยคือศึกษาด้วยการปฏิบัติคุณสมาทานสีใช่ไหมคุณวันพระคุณสมาทานสีเนี่ยปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยผู้จุปาวเนี่ยก็คือศึกษาด้วยการปฏิบัติอืมถ้าคุณไม่รู้ว่าเอ๊สีมันเป็นยังไงเนาะสมมุติอาตมาไปประเทศอเมริกาใต้ไง ประชาใต้ไม่มีใครรู้เรื่องสีและสินเทยก็ต้องบอกเขาว่าอ๋อนี่ไงคืการที่ละเว้น ก, รกรัรค้าเพาะันก็ต้องบอกเขาบาลติปาตาเวรมณีนี่ถ้าคุณรู้ตัวบทอยู่แล้วอ่ะอย่างคนทุกวันเนี่ยอคุณฟังวิทยุ ข, ของสปทเนี่ยนะ <Okay. S 2> ทุกวันร้าเนี่ยเขาจะมีให้สมาทานศีพอฟังเสร็จเรียบร้อยฟังธรรมะเสร็จเรร้อยสบายใจนะฉันมีละไอนุ ญ, ญาตในการทำผิดอ <Okay. S 2> ไปโกออกไปฆ่าไป hmm. ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, รู้สิตในครา ไม่ได้เรื่องเลยด uh huh. ั่นที่คุณผพ้ฟังทามาคุณสมารานศีลมาแต่แตเต่งไม่ปฏิบัต uh ิเ huh. พราะฉะนั้นธรรมะสมาทานเนี่ยคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติน ะ, ะเปรียบเหมือนคุณขับจักรยานหรือคุณใ่าน้ำต้องทำเลยน uh huh. ะส่วนที่รู้เฉยๆนะในทะเบียนบ้า น, นประชาชนก็เขียนว่าศาสนาพูดจาด่ากันอยู่ อนะย่า ง, งพูดไม่ดีกันอยู่ยังไม่ปฏิบัติตามมัคคิโยแปยังฆ่ากันอยู่ยังประพฤติจิตในตามอยู่อันนี้ก็คือไม่ได้เรื่องอืไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการปฏิบัติการปฏิบัติตรงเนี้ยรูปแบบการปฏิบัติเนี่ยจึงต้องเข้าใจว่าบางท่านจะเข้าใจว่ารูปแบบการปฏิบัติเนี่ยอคุณต้องไปอยู่ป่าต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นรูปแบบการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ดีที่พระเจ้าก็ทํา การปฏิบัติจิตญาณหนึ่งต้องคือการปฏิบัติด้วยจิตก็ต้องถามมาธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนใช่ไมคุณเฉินชัยธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ในจิตแต่หมายเวลาเรารู้ธรรมะเห็นธรรมะทราบซึงธรรมะทราบซึงที่ไหนที่จิตใจใช่เออก็ในจิตเพราะั้นการสมาทานการปฏิบัติเนี่ยคือในจิตถามมากกา่านักานหนังสืออยู่โอหปุถุวะนนบทนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังไหนมันทราบซึ้งจริงๆเราปฏิบัติไปพร้อมๆกันด้วยก็ได้ แต่เพราะนั้นถ้าท่านอนั่งอยู่ในเมืองเป็นคนเมืองอยู่ในเมืองไม่ต้องอยู่ป่าก็ได้พระสงฆ์นั่งอยู่ในเมืองก็ได้แต่อย่างอยู่วัดบวอยก็ได้แล่านังสืออยู่เนี่ยแต่มันทราบซึ้งในธรรมะของปุถิดชาปฏิบัตไปด้วยก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้ว ม, ลมีพระองค์หนึ่งในสมัยปุถิี่ยไปถามาปุถิดชาบอกว่าเอ๊ะทายังไงหนอถึงจะมีปัญญาเครื่องเก่าแทงกิเลสทำยังไงถึงจะมีปัญญาเครื่องเก่าแทงกิเลสจุกค่ะ ปริญ่าตอบอย่างนี้บอกว่านี่ไงแค่รู้ทมแม้พิงสี่บทแล้วปฏิบิธรรมสมควรแะ่ทำนั่นที่ว่าเป็นผู้มีปัญญาเรื่องจอแทงดีเด็ดแล้วอือจ้าค่ะธรรมานะคุณเตือนใจมีแปดหมืนสี่พันใช่ไหมหลายหลายคนค่ค่ะพรนะิญญาบอกรู้แค่สี่บทหมออือจ้าสี่บทคืออะไรอะไรบ้างจาค่ะอริยสัจสี่ไง อ่าคือสมุทรไทยทุกมรดิ์นิโรธสี่อย่างประสมูดภาษาไทยก็คื อ, อรู้ถึงปัญหาที่เรามีแลรู้ถึงสาเหตุของปัญหารู้ถึงทางการดับของปัญหามีแล้วก็รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาเราจะทําให้ปหัญหารในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะปะัญหาทางบ้านที่ทํางานครอบครัวในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมการเมือต่างจะได้หมด เพราะคุณไม่ปฏิบัติซะนัเองถามว่าที่เขาปัญหาสังคมไม่สงบสุขเนี่ยยังด่ากันเปล่าเปลก็เพราะว่าคุณไม่ปฏิบัติตามมรรคไม่ปฏิบัติตามศีลใชมอาตมาเคยมีมีเพื่อนที่เป็นเขาเป็นผู้พิพากษานะเขาบอกว่าคดีความในในเมืองไทยเนี่ยอา่าถ้าเอาแค่ว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยรักษาศีล5กันหมดเนี่ยคดีความในศาลที่ค้างตึงอยตอนนี้จะลดลง95เปอร์เซ็นต์ลย้ ก็เรียกว่าปัญหาขึ้นโรงขึศาลปัจจุบันเนี้ก็เกิดจากการที่คนไม่รักษาศีนั่นเองนะเจ้าค่ะเราแค่ศีน5ธรรมดาเลยเอม<ร><อ>ัน<อ>ต่ำเลยเบื้องต่าเลยศีน5ธรรมดาที่ทุกคนต้องมี<อ>แค่นี้เลยงบประมาณที่ใช้ในเรื่องการต้องมาสร้างศาลที่มันใหญ่โตในการที่จะฝึกอบรมคนหนึ่งบุคลากรคนหนึ่งให้มาเป็นผู้เลี้ยงฝังศาลนี่มันมากมายมหาศาล ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราลดลงไปได้เนี่ยรัฐบาล น, น่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งมารณรงค์เนี่ยให้คนปฏิบัติตามสีให้มาช่อถูกศาสนาคำสอนพิทธให้มากขึ้นปนนนัญหาในบ้านเมืองจะลดลงมากเจ้าค่ะเอาแค่ศีลธรรมดานี่ยเลยอือจค่ะฉ<ม>ันคิด<ม>ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราปัจจุบันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนนี้อาจจะ หลงไปกับเรื่องของความเจริญทางด้านต่างๆมากนะเจ้าคะคือศึกษาหาความรู้มีปริญญาสูงขึ้นมีคนจบอไม่ว่าจะปริญญาตรีโทหรือแม้แต่เอกนี้เป็นมากจางเมืองไปหมดแต่ปรากฏว่าคนเหล่านั้นเีละเลยในเรื่องของการสิ่งที่องค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมูลพุโทโธเจะนะไว้ดังนั้นก็เลยละเลยแล้วก็ทําให้สังคมเราเนี้นวุว่นวายกันถึงทุกวันนี้นะเจ้าค่ะ เพราะนเรื่องการสอนศีลธรรมนะมันก็จะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นจค่ะท <Okay. S 2> ีนี้ประเด็นที่เรากําลังพูดถึงอยู่ตรงเนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็การปฏิบัติอต้องทําความเข้าใจประเด็นที่สองก็คือว่าธรรมบปริยัติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้ปริยัตเนี่ยคู่กับสมาทานจู่ค่ะและสมาทานนี่คือการศึกษาด้วยการปฏิบัติก <Okay. S 2> ารศึกษาอย่างเดียว <Okay. S 2> ไม่ปฏิบัติเรียกว่าปริยัติจู่ค่ะ ศึกษาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเรียกว่าปริยัติศึกษาไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเรียกว่าสมาทานเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้อะไรมาก่อนเลยเนี่ยหรือว่ารู้เรื่องอะไรต่างๆในโลกมามากเนี่ยไงคุณก็ต้องศึกษาแต่ะะถ้าเราบอกว่าความรู้ความเรียนการศึกษาไม่ดีเนี่ยเราพูดไม่ได้แต่เราต้องบอกว่าศึกษาด้วยการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างคุณครูหรือว่าอาจารย์ต่างๆที่อยู่ในใ น, ในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะ อถ้าเขามีประสบการณ์การปฏิบัติมาด้วยอย่างสมมตุติอาจารย์หรือว่าศาสตราจารย์ที่สอนอยู่ในมาหาลัยสอนวิชาเกี่็บการบริหารธุรกิจเนี่ยถ้าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจทําธุรกิจประสบความสําเร็จด้วยเนี่ยคงจะดีมากาส่วนใหญ่คุณครูหรือว่าศาสตราจารย์ที่สอนอยู่ในมาหาลัยเนี่ยจะไม่ได้ทําธุรกิจจะเป็นนักวิชากาเรเฉยอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องหาบุคลากรประเภทนี้ในการสอนพระอคุณเป็นพระใช่ไหมคุณสอนเรื่องศีลทำคุณปฏิบัติตามศีลทำไหม mm hmm. คุณมีศีลไหมคุณมีสมาธิไหมคุณมีปัญญาไหมนี่ตัวพระเองนะ <Okay. S 2> แต่ทัพพระเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้สอนได้สอนแล้วมันเข้าถึงใจดีจุก้าอย่างครูบาอาจารย์ที่เราก็าย่างเห็นอยู่ในสมัยนี้ที่ท่านที่พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาบอกสอนพระธรรมด้วยและมีลูกศิษย์ลูกงานที่คอยม า, าศึกษาปฏิบัติจากท่านก็มีจุก้า ดังนั้นเราจรึงต้องเน้นเรื่องการศึกษาด้วยการปฏิบั ต, ติการศึกษาดีแล้วแต่ต้องเน้นเรื่องการปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยได้ทุกเรียบทยี่แล้วนะได้ทุกกรณีได้ทุกรูปแบบอแล้วทีนี้เรื่องของประเด็นที่คุณยุนิโสพูดถึงอ่าคือความปรู้า่อเรื่องของความรู้ทําให้เกิดปัญญาได้อย่างไรจ๊ะปัญญาตรงเนี้ย อที่พระชาพูดถึงปัญญาเครื่องสอนแห่งกิเลสนะคนที่เอมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญาเนี่ยมันต่างกันง่ายแค่นั้นเองก็คือว่าจิตเขามีสมาธิไหม <Okay. S 1> ถ้าจิตเขามีสมาธิเนี่ยไม่ไหลไปตามรูปเสียงเปลี่นรสปตปะสมารมคือไม่ไหลไปตามคนนั้นว่ายอย่างนี้ดีเราก็ไหลไปตามคนนั้นว่ายอย่างนี้ไม่ดีเราก็ไหลไปตาม แต่ไม่ไหลไปตามสิ่งเหล่านี้แต่เป็นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเขาจะสามารถทําให้เห็นอซึ่งความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้ใน <Okay. S 1> อย่างทําไมตอนที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยถึงต้องไปหาพวกพรามหรือฤาษีที่มีสมาธิดีก่อน <Okay. S 1> อเพราะว่าพวกเนี้โปรต่ง่ายกว่า <Okay. S 1> พวกนี้มีพื้นฐานทางจิตที่ดีอยู่แล้วแต่พอชี้นิดเดียวเนี่ยเขาพวงเลยพางเลย <Okay. S 1> ทำให้แจ้งได้เลย ในขณะที่พวกที่ยังไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะต้องบอกสอนอีกหลายอย่างพ <นะ S 1> ร่เจ้าจึงไปหาบุคคลประเภทที่มีสมาธิอยู่ก่อนแล้วเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะเห็นทําได้ง่ายได้เร็วได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคนที่คุณเฉนชัยเคยเห็นไหมคนที่ไปปฏิบัติธรรมนะเข้าวัดนั่งสมาธิอะไรต่างกลับได้มายังด่าคนรอบท้างอยู่เลยจะมีอยู่ในะ <c oughs> ยุทธะเขาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเขาเริ่มที่จะฝึกมะแล้วค่ะ ได้ศึกษามาแล้วเนี่ยแตไม่ไม่ไดเอามาปฏิบัตินะเจ้าค่ะคือขึ้ไม่ที่ทททวัดมั้งเจ้าค่ะเ <c oughs> ออคือเขาก็ปฏิบัติส่วนหนึ่งนะในการนั่งสมาธิในการท <c oughs> ําทศีล น, นะแล้วพอกลับมาบ้านแล้วกลายเป็นคนละคนด่าคนนู้นคนนี้เราก็เคยเห็นอยู่อันนี้แปลว่าแต่ที่ง่า ย, ายๆเลยผู้ชา่างเคยพูดถึงเรื่องของการที่บุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยเป็นยิดมั่นในความสุขที่ได้จากสมาธิ ออืม่าถ้าสมมุติอาละมาเนี่ยไปเข้าวัดถ้าสมาธิโอหมีความสุขมากเลยอยู่ในสมาธิแล้วยึดมั่นตรงนี้ว่าแหมฉันน้องได้อย่างนี้อันนี้ของฉันปาบ้านเนี่ยคุณเฉินชัมันไม่ได้นะอืมพอไม่ได้ความสุขอย่างนั้นแล้วจะเป็นความยังไงหมดุดหิตเอ้ยทำไ ม, มความสุขฉันเสียได้มันไม่ได้ก็เกิดยังไงต่อด่าแล้ว <c oughs> ว่าคุณลุงคนนี้อันนี้ไม่พอใจโอ้ยไม่เหมือนอยู่วัดเลยอะไต่างอนี่น ะ, <ล>ะเพราะฉะนั้นทวดเจ้เนี่ยจึงต้องมีสอนให้สาวกเนี่ยปล่อยวางอ ย, าย่ายึดมั่นถือมัน่นอ่าการปล่อยวางเนี่ยดีก็ปล่อยวางไม่ดีก็ไม่เอาแล้วก็ถ้าถ้าเรายึดมั่นอย่างในกรณเนี้ยยึดมั่นในความสุขที่เกิดจากสมาธินะสมาธิความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยเป็นของดีนะ่ะแต่ถ้าเรายึดเมื่อไหร่เนี่ยไม่ดีเหมือนนั้น<ม>อย่าเลย <Okay. S 2> เพราะนั้นอย่างปัญหาที่เกิดในบ้านเมืองอย่าเงี้ยเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคิดมั่นถือมั่นในความเห็นของตนว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่า <Okay. S 2> โอ้ความเห็นของฉันอย่างนี้เท่านั้นสีนี้เท่านั้นถูกสีอื่นผิดหมด <Okay. S 2> มันถึงเป็นปนัญหา <Okay. S 2> อย่าไปยิดมั่นถือมั่นอะไรที่เป็นไปตามสีไม่ด่า ก, กันไม่ว่า ก, กันไม่ฆ่าไม่ไม่ทำร้ายไม่ขโมยเนี่ยดีเอาแค่นั้นค <Okay. S 2> ือ เพราะฉะนั้นเรางจะเรียกว่าโอ้คุณทั้งเรียนด้วยทั้งปฏิบัติด้วยสมาทานการปฏิบัติศึกษาด้วยการปฏิบัติค่ะก็เรียกว่าศึกษาด้วยการปฏิบัติ ง่ายสำหรับพุทษษธศาสนิกชนเราก็คืออย่างที่พระอาจารย์พิบูลได้เมตตาแนะนํเราแล้วเจ้าคะ่ะก็คือการถือสี่ห้าธรรมดานี่แหละขอให้ถือให้ได้ครบแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะเจ้าคะ่ะอีกอันหนึ่งที่พระอาจารย์กล่าวเมื่อตอนตอ น, ตอนที่สนทนาช่วงต้นยมอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาขยายความอีกนิดนึงนะเจ้าคะ่ะเพราะว่านี่คงจะตรงกับจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่เราทุกวันนี้ก็ต้องเหมือนกับ ตื่นรนนะเจ้าค่ะปากกัดตีนที่เป็นอยู่เนีเจ้าคะ<อ>่ะเพื่อที่จะจดำเนินชีวิตแบบคารวะของเราให้ดีที่สุดประคอ ง, องอครอบครัวให้ดีที่สุดนั่นก็คือการปฏิบัติด้วยจิตเจ้าค่ะคิดว่าท่านอยาจะทราบตรงนี้มากเลยเพราะว่าเราก็คงจะไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าไปฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะอ๋ออ่านปฏิบัต ที่เป็นเรียกว่าไม่ใช่รูปแบบ ท, ที่เราทัเห็นอยู่โดยทั่วไปถึงว่าทํางไปนั่งสมาธิเขาา้าวัตรเลย์าเนี่ย uh huh. ถ้าปฏิาบัติแบบอื่นมีไหมก็คือต้องปฏิบัติทกินทุกๆเวลา uh huh. ซึ่งอันนี้เนี่ยเหมาะสมสําหรับคนที่อาจจะเรียกว่าได้ไปวัดไต้าไวาอยู่บ้านได้ฟังธรรมอยู่บ้านหนังสืออยู่บ้านนะ uh huh. แล้วก็จะต้องออกมาปฏิบัติเองที่บ้านอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ uh huh. แค่ว่าระดับแรกเนี่ยเราตั้งมาอยู่ในสิ่ก่อน ามีภาษาอะไรที่มากระทบเนี่ยเราก็ปล่อยวางปล่อยวางได้ยังไงคือจิตเี่ยถ้ายังไม่เป็นบาระลานเนี่ยปล่อยวางเฉยไม่ได้มันต้องมีที่เกอบก่อนที่ยึดก่อนคุณ <c oughs> ชาวก็ให้ใช้ใจของเราเนี่ยเป็นที่ยึดที่เกอบก่อนนั่นก็คือใช้ลมหายใจนั่นเองลมหายใจก็คือตายเพราะฉะนั้นในขณะที่เราฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจอย่างนี้นมีคนพูดไม่ดีกับเราหรือว่าบ้านเราอะไไม่เรียบร้อยมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราดูลมเลยดูลมหายใจ การสังเกตลงหมายใจเนี่ยก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยอ่านิ่งพอจิตนิ่งนะเราค่อยตัดสินใจปัญหา น, นั้นตามที่ตามสถานการณ์อันนี้ที่ว่าปฏิบัติแล้วอื ม, อ ม, อ ม, อมนะวินาทีนะั้นเออคุณตินใจเขาเรียกว่าจิตมีสติอืมคนที่มีจิตมีสติไม่สั่สายหมุนไปจิตเป็นจิตที่ตั้งมัน่นเป็นจิตที่เป็นหนึ่งนี่นะต่อให้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ารอโยด์ก็คิอว่าบูชาแล้วคิอว่าอยู่ใกล้แล้วต่อให้ไม่ได้มางานหลวงตาบัว ก็ชื่อ ว, ว่าได้มาชื่อ ว, ว่าปูชาแล้วอย่างนี้นะเจ้ค่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าเราทําจิตอย่งนี้ได้ตลอดเวลานะครมีสติในโลมหายใจนะสังเกตลมหายใจเราเองนะไม่ไหลไปตามสิ่งภายนอกอันเนี้ยดีมากๆเลยเค่ะก็ะสรุปก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราอย่างเป็นคา ร, รวาสเนี่ยนะเจ้าค่ะทำงานทําการหรือจะเรียนัิทยาลังรรรหาเนี่ยถ้าหากว่ามีใคร หรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นภาษะที่เข้ามากระทบจิตเราทําให้เรารู้สึกว่าเกิดความไม่พอใจเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไหลไปตามภาษนานั้นๆนะเะ้าคะที่ตัดมาที่ลมหายใจก็คือเอาสติเรามาอยู่ที่ลมหายใจอย่างที่พระอาจารย์สอนก็คือว่ามารู้สึกถึงอาการที่อากาศเข้าไปในโพรงจมูกของเราอันนั้นนิ่อยู่เลยนะเจ้าค่ะไม่ต้องทุ่มเถียงอะไรอันนั้นก็จะเกิดสติขึ้นมาใช่ค่ะ แล้วค่อยตัดสินใจแก้ไขไปตามสถานการณ์เจ้าค่ะถ้าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ตัดสินคดีชาหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ด้อยกว่าคนที่เข้ามาว่าเรานี่ อ, อ, อาจจะต้องแผ่เมตตาด้วยไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ก <c oughs> ็ในกรณีนี้ถ้าพูดอะไรไม่ได้ก็ใส่ใจขราดทั้งสิทธิและในการแผ่เมตตาจ้า ค, ค่ะใช่ค่ะอืมน่าสนใจมากเลยนะเจค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระอาจารย์ภับูณทิพย์ปน็นโอได้เมตตาชี้แจงจแสดงทางมานี้เนี่ยก็คือเป็นบอกเกิดที่เรียกว่าการทำความรู้ที่เราได้ศึกษามานี่นะเจ้าค่ะก็คือเหมือนกับศึกษาอย่างเดียวไม่ให้เป็นแค่ประยะิยัติธรรมคือศึกษาอย่างเดียวที่เป็นรูปพิษนะเจ้าค่ะแต่เราต้องสมาทานก็คือศึกษาด้วยการปฏิบัติ ด, ด้วยคือศึกษาแล้วปฏิบัติด้วยนะเจ้าค่ะถูกต้องนะคะก็พระอาจารย์อยากจะฝาก เอคำท้ายนิดนึงเจ้าคะให้คุณวุฒิสมันนาสิกาหรือว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมารัประดูในเช้าวันนี้ได้รับทราบเป็นการสรุปเป็นมงคลในเช้าวันเสาร์นี้เจค่ะเขาบุคคลที่จะมีสติอยู่ได้เนี่ยนะเวลาที่จะเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณจะทาอย่างนี้ได้ง่ายเนี่ยก็ต้องมีความอดทนพราะฉะนารามาจึงต้องการที่จะฝากไว้ก็คือว่าให้มีความอดทนมีปัญหาอะไรในชีวิตแล้วแต่อดทนไว้ก่อน นะอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้นะอดทนไว้แล้วก็มาสังเกตลมหายใจอดทนไม่แล้วเนี่ยจะทำให้สังเกตลมหายใจง่ายสังเกตลมหายใจง่ายก็ที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสองพุทธเจ้าการที่แค่พนาในลำต า, านี่ก็จะทําให้รับเริงไปได้อย่างนี้ ค่ทก่าค่ะก็เป็นพรอันประเสริฐเลยนะเจ้าค่ะที่โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังในขณะนี้ทุกท่านสามารถที่จะรักมาปฏิบัติได้อย่างดียิ่งเลยก็จะทำให้ชีวิตเรามีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็เกิดปัญญาด้วย เจ้าค่ะก็สําหรับรายการธรรมารับปรูญในเช้าวันเสาร์ที่12มีนาคามนี้นะคะก็คงจะต้องถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องอลาจากกันแล้วค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมาราปรูญโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงคุณโยนิโสมานาสิการจากจังหวัดนครปฐมก็ตามรับฟังข้อปัญหาที่คุณยยนิโสมานาสิการได้ถามกันมาอีกข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการความหมายของคําว่าโยนิโสมานาสิกานซึ่งคุณเชื่อว่าจะทำให ให้มีสติปัญญาท่านําไปปรเปิดได้ครบทั้งสิบหกข้อสิบหกข้อนี้มีอะไรบ้างก็จะได้กราบเรียนถามจากพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนในเช้าวันพรุนี้นะคะสําหรับเช่านี้ก็คงจะต้องนำธงฟังกราบมณฑสการอขอพระคุณและกราบมณสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนสิทธิเอกของพระฤาษพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดธิตโอภโสหรือท่านพระคุณสิทธิปภะกรท่านจะอาวาตว่าต่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้กรา กรนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะน่าจะเรีนรู้สาธุติดตามรับฟังรายการธรรมะรับปรุงได้น ใ, นใหม่ในวันทุกนี้เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกาสาสนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ